คือเป็นพระโสดาบันข้าพเจ้ากล้าท้าทายหรือยืนยันได้ว่าถ้าหากยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงในความหมายดังที่กล่าวมานี้แล้วท่านไม่มีทางที่จะละสักยญาทิฏฐิคือความเห็นว่าเบญจขันธ์หรือขันห้าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราได้และถ้าละสักยญาทิฏฐิไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระโสดาบัน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 กไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นของการเป็นพระอริยบุคคลข้าพระเจ้าใกล้ที่จะให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่ามานุบสิบหกคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พราหมภาวรีลูกศิษย์ทั้งสิบกคนนี้เป็นผู้ที่อาจารย์สั่งให้มาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าและทั้งสิบกคนนี้ล้วนแต่เป็นผู้รู้ที่เข้าใจอย่างดี